หากประจําอยู่วนแห่งใดจะสุขสันตทั่วทุกคนไปหากดวงใจไฟคุนธรรม สวยน้องนำช้ำรลกจิตเจอ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 I'm n t h e n l y one.